สหายเอย๋ยตัวเราไม่ได้มีแต่พอเผลอตัวเรามีขึ้นจนได้พอหายเผลอตัวเราก็หายไปหมดตัวเราเสียได้เป็นเรื่องดีท่านพุทธทาสพิคขุ การฟังธรรมเราควรจะฟังบ่อยๆฟังทุกวันได้ยิ่งดีเพราะการฟังแต่ละครั้งเราก็ได้แง่คิดได้รู้จักวิธีการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคิดแล้วเราก็น้อมเอามาใส่ตัวเราเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปเป็นกระบวนการของบุญกุศลทั้งนั้นแหละ การฟังก็เป็นบุญการคิดนึกใคร่ครวนธรรมะก็เป็นบุญการปฏิบัติธรรมก็ได้บุญการฟังการอ่านการคิดการปฏิบัติเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าผู้ที่แสดงธรรมอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผู้ใหญ่หรือจะไม่ใช่นักบวชรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่สําคัญหรอก ถ้าเขาพูดธรรมะแล้วก็เราลองตั้งติดตั้งใจฟังมันก็จะเป็นบุญและก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราบางทีเราอาจจะฟังแล้วคิดแล้วยังปฏิบัติไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยสืบเนื่องให้เราปฏิบัติได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการสั่งสมธรรมะไปเรื่อยๆเรื่อย การวางเข้าเนี่ยมันก็จะได้ทีท่คือเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็นำเอามาปฏิบัติได้เยี่ร้อยก็เป็นแนวทางให้เรารู้จักวางคิดวางใจที่จะปฏิบัติตัวเรากว่าเราจะต้องตายไปในคิดดูเถอะมันสะสมไปมากน้อยแค่ไหนเราไม่ควรประมาทชีวิตนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้อันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะ นึกถึงความตายเราอย่าไปกลัวเราต้องกล้าคิดถึงความตายต้องกล้าไปเชิญหน้าบางคนบอกว่าตายได้ไม่กลัวหรอกกลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บแต่บางท่านนี่ตายก็ไม่กลัวนะเจ็บก็ไม่กลัวนะแต่กลัวความพลัดพรากพัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักจากตัวเราของเราตรสุดท้ายก็สรุปลงที่ว่าเรากลัวตายทั้งนั้นแหละเพราะความตายคือความพลัดพรากอันที่จริงนี่ ความตายนี่มันไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นปัญหาสำหรับเรานั่นก็คือความกลัวตายนะเพราะว่าความตายเนี่ยตายทางด้านร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทุกชีวิตเนี่หนีไม่พน้นจุดจบของทุกคนนั้นก็คือความตายคนที่ร่ํารวยก็ต้องตายยากจนก็ต้องตาย คนฉลาดก็ต้องตายคนโง่ ก, ก็ต้องตายคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายแม้แต่คนที่มีบุญวาสนาบารมีก็ต้องตายคนต่ำช้ายากจนตเตลซามขนาดไหนก็ต้องตายแต่นั้นไม่มีใครหลีกหนีพ้นทน้านร่างกายต้องมีจุดจบคือความตายทุกคนแต่ว่าความกลัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายความกลัวตายมันเกิดขึ้นที่จิตใจ ใจเราปัญหาที่กลัวตายนะซึ่งเราสามารถเอาชนะได้ร่างกายที่ต้องตายเราเอาชนะไม่ได้หรอกแต่จิตใจที่กลัวตายเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้เอาชนะโดยวิธีใดวันนี้ลองมาฟังแล้วก็ลองเอาพิจารณาดูดูซิว่าเราจะเอาชนะได้ไหมความกลัวตายที่เกิดในจิตใจเนี่ยถ้าเราเอาชนะความกลัวตายได้เมื่อไหร่แล้วก็ความตายทางหน้าร่างกายนั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับเราแต่ก็ดีเหมือนกันนะเรา ก็ได้มาเตรียมตัวก่อนตายการเตรียมตัวนั้นอย่างน้อยเราก็ฟังธรรมะศึกษาธรรมะศึกษาชีวิตชีวิตกับธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ออกถ้าเราศึกษาชีวิตเท่ากับเราศึกษาธรรมะถ้าเราศึกษาธรรมะเท่ากับศึกษาชีวิตธรรมะเนี่ยสอนเรื่องกับชีวิตเรื่องพัฒนาการของชีวิตตามเหตุปัจจัยต่างๆตั้งแต่เกิดขึ้นจนกระทั่งดับคือตั้งแต่เกิดจนตายแหละ ถ้าเราศึกษาแล้วพิจารณาแล้วอาจจะเป็นจากการอ่านการฟังการคิดเรื่องชีวิตเรื่องธรรมะแล้วก็เราจะมีความกลัวตายน้อยลงจะมีความกล้าอาหารเพราะเราจะได้รู้จักเรื่องของความตายอย่างถูกต้องการศึกษาธรรมะก็เป็นประโยชน์ตรงนี้แหละหรือบางทีเราอาจจะฝึกให้ทานใช่ไามการให้อภัยทานอย่าถือสาหาความกับคนใกล้ตัว เราโกรธกันอยู่ก็เลิกโกรธซะเราจะโกรธกันจนตายหรือไงหรือเราจะโกรธกันข้ามพพข้ามชาติผูกเวรผูกกรรมกันต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรให้อภัยซะก่อนที่เราจะตายจากกันละความชั่วโดยการรักษาศีลจะได้ไม่ต้องสะสมเหตุปัจจัยแห่งความชั่วเอาไว้รักษาศีลจะเป็นการละความชั่วทําความดีทําประโยชน์ให้กับตัวเราทําประโยชน์ให้กับคนรอบข้างทําประโยชน์ให้กับ ส่วนรวมทําประโยชน์ให้กับคนที่เรารักหรือคนที่มีบุญคุณกับเราในการตอบแทนบุญคุณรีบทำสักก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะนี่เป็นการเตรียมตัวนะหรือบางครั้งถ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยอาจจะเป็นญาติเราก็ดีหรือคนอื่นก็ดีไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยให้กาลังใจเขาบางทีก็อาจจะไปฟังสวดพระอภิธรรมรดน้ำศพเผาศพ ส, สิ่งเหล่านี้ละ่ะ เป็นปยู่์สำหรับเราทั้งนั้นเลยเราจะเดินน้องมาใส่ตัวเราเมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างเราต่อไปเราก็ต้องต้องเป็นอย่างเขาน้องมาใส่ตัวเรามันจะได้เคยจินเห็นว่าการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถึงกล่าวที่เราเป็นบ้างว่าจะได้ทําใจได้ซึ่งเหล่านี้แหละทําให้ใจเราไี้กล้าที่จะไม่กลัวความตายได้เหมือนกันนะอันที่จริงเนี่ยความกลัวเนี่ยมันเกิดจากความคิด ความกลัวตายเกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดแล้วก็มันไม่กลัวล่ะถ้าเราจะเอาชนะความกลัวได้นั้นต้องเอาชนะความคิดก่อนถ้าจะเอาชนะความคิดก็ต้องเจริญสติเพราะถ้ามีสติแล้วเนี่ยความคิดจะไม่เกิดถ้ามีความคิดขึ้นมาเนี่ยสติก็ไม่เกิดเหมือนกันดังนั้นเราต้องฝึกสติเข้าไว้ฝึกสติให้มากๆเพื่อแย่งเนื้อที่ของจิตใจไม่ปล่อยให้ความคิดที่เกิดจากความกลัวในข้อความนั้ฝึกสติบ่อยๆ ทำความรู้สึกตัวเขาไว้เมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะมันจะเห็นว่าไอ้เจ้าความกลัวเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผ่านมาให้เรารู้เท่านั้นจิตเป็นผู้รู้ความกลัวเป็นสิ่งที่ผ่านมาให้จิตรู้เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเป็นเพียงแค่อาการของจิตแล้วก็จะเห็นความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกฎอนิจจัง ดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะแยกนะแยกกิจออกจากความกลัวได้เราอาจจะได้ปัญญาจากความกลัวก็ได้จะเห็นว่ามีแต่ความกลัวนะจะไม่มีผู้กลัวมีแต่สติล้วนๆที่รู้เท่าทันในความกลัวอันนี้เป็นตัวปฏิบัติให้เราเจริญสติมากๆทำบ่อยๆหนึ่งเหนืองในแต่ละวันเนี่ยรักษาสติรักษาจิตใจเราไว้ให้เป็นปกติ ต่อไปความกลัวก็จะไม่เข้าครอบงำอันนี้เป็นการปฏิบัติเป็นการตรัสติรุวนเลยหรือบางทีวันเวลาที่ยังเหลือชีวิตเรายังไม่ตายจากโลกนี้ไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องฝึกเป็นการฝึกแบบง่ายๆเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเสิบ้างต้องฝึกปล่อยวางทําเล่นเร่นฝึกปล่อยวางเพราะสิ่งนอกตัวเนี่ยเราจะติดตัวเราไปไม่ได้หรอกเป็นของคู่โลกครับ ตกที่แม่บนโลกนี้เราก็ไปตัวเปล่าอย่างเช่นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเราควรฝึกที่จะปล่อยวางซะบ้างอย่าไปยึดมั่นติดมั่นบางทีเรามีมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันนะเรามีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านช่องเรือนชานบางทีเราก็ไปยึดติดมันเราลองทําเป็นว่ามีเหมือนไม่มีบ้างมีทรัพสมบัติมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยให้อยู่ในธนาคารซะ เราอย่ามาแบกไว้ในจิตใจของเราเราฝึกลองปล่อยๆดูมีไล่สวนเลือกนาไล่สวนแล้วก็เอาไว้ที่สวนที่นาอย่ามาแบกไว้ในจิตใจเราเราก็ทำหน้าที่เข้ า, ขาไปเรามีหน้าที่การงานมีครอบครัวไม่ต้องฝึกไว้ว่ามีเหมือนไม่มีสะบ้างฝึกปล่อยๆวา ง, วางๆสับ้างเหลือแต่หน้าที่อย่าเอาหน้าที่นั้นมาแบกในจิตใจเราต้องฝึกปล่อยวางมันวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทาหน้าที่ไปก่อน สิ่งเหล่านี้นะเราจะเอาติดตัวเราไปไม่ได้หรอกหน้าที่การงานตําแหน่งไหนก็ตามเราต้องลาออกเราเป็นพ่อก็ต้องลาออกจากพ่อเราเป็นแม่ก็ต้องลาออกจากแม่เมื่อเราต้องตายจากโลกนี้ไปฝึกปล่อยวางสิ่งภายนอกเนี่ยเราติดตัวไปไม่ได้อย่าไปเสียดายลองทํามีมันไม่มีใชแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาทําหน้าที่กับสิ่งนั้นไปอย่างถูกต้องแล้วที่สําคัญก็คือตัวเรานรูปนามขันห้า ธาตุสีอยู่ในตัวเราเนี่ยอันนี้แหละมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยต้องฝึกที่จะปล่อยวางบางคนเขาฝึกนะนอนทำเป็นตายอะไรเงี้ยแกล้งตายอะไรเงี้ยอันนี้มีประโยชน์ฝึกปล่อยวางรูปน้ำกันธาจิตใจเราจะได้ผ่อนคลายเพราะผมสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดปล่อยวางตัวตนเสียไดนะ้เป็นเรื่องดีต้องทิ้งทั้งหมดฝึกบ่อยๆทาเล่นๆ ต่อไปมันจะเกิดความเคยชินที่จะปล่อยวางนะในแต่ละวันเนี่ยเราปล่อยวางได้หรือบางครั้งเนี่เราโชคร้ายเกิดประสบบัติเหตุขึ้นมาทันทีเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันจะไม่เป็นเหตุที่เราตกอบายนะเพราะเราฝึกปล่อยวางอยู่แล้วถึงเวลาจริงมันก็วางได้มันเกิดความเคยชินเราจะได้ปล่อยวางรูปนามกันทาตัวตนเนี่ยทิ้งไว้บนโลกนี้แล้วเข้าไปแต่ตัวเปล่าคือไปแบบจิตว่างๆไม่มีอะไร อันนี้ดีนะลองรึกดูนะสมดังที่เคยได้อ่านคํากรนของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้แต่งไว้แล้ในตอนสุดท้ายเนี่ยประทับใจมากนะท่านกล่าวไว้ว่าถึงนาทีสุดท้ายอย่าได้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเมื่อดับขันด้วยจิตวา่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครอง เป็นของเรา